เรื่องมนตวาดผีคถากันหลายตายตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอน้อมน้อมแบบพระผูมพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม่บริลล่ผานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ความหนุยพรสริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการต้องบังเกิดมีแดดญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันพ่อวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วครั้งหนึ่งตามทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้กลายเป็นขนมตำเนียนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามบ่ายสี่โมงตรงทุกๆวันพระก็จะได้มีการกล่าวแสดงเพื่อทำมาเทเสนาปาทะกถาธรรมบ้างธรรมนิกถาบ้างเป็นประจำทุกๆวันพระให้พี่น้องร่วมพุทธศาสนตรตะเนื้อตาทุชนผู้ใฝ่ในคุณงามความดีได้รับฟังและทาการศึกษา วันนี้เมื่อเวียนมาบรรจบครบรอบก็เลยมีโอกาสดีที่อาตมาได้มาพบกับเพื่อนร่พุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วก็ได้ห่างเหินไปหน่อยเพราะว่าการงานมาโผล่มัดเมื่อทางศาสนาก็เป็นอันมากอย่างไรก็ตามเรายังมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณพุทธทผู้ทรงสิ้นสุดตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณเพื่อเดชประคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยแห่งวัดเนื้อและก็ท่านอาจารย์ มหาดวงใจล้วนแต่เป็นพระธรรมกะถิดเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถปัะเปลี่ยนประพูนประริยนเอกกันทั้งนั้นนึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่านเหล่านี้แต่วันนี้ท่านเหล่านี้ท่านก็ได้พักเป็นเกี่ยวให้อัตมาได้มากล่าวธิมิตรถากับเพื่อนร่วมพุทธสาวกเนรสาธุชนทั้งหลายอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสได้มาพบกับท่านต่างหลายแล้วก็จากแก ไม่ให้มันเสียเวล า, มาเมื่อพราะเวลาเรามีน้อยอาจามาคิดไปขึ้นมาว่าจะเอาเรื่องราวอะไรมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันก็พอดีพอดีในระยะนี้มันเกิดวิกิจการอันหนึ่งคือเกิดความหวาดกลัวต่อโลรคลอยไร้ตายกลัวผีแม่ไม่จะมาเอาไปเป็นผัวผู้ชายทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวถึงกับทาเล็ททาปากเขียนคิ้วอีกหน่อยก็คงจะต้องเป็นดัดผมใส่เสื่อยกทรงเดีนน๋ยวนี้ก็มีการซื้อผ้าถุงมานนุ่งกันแล้ว ข้างลักษณะเจนที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคอีสานของเราน่าสมเพทเวทนานหน้าสงสาร <c oughs> นื่จากว่าพวกเรานั้นมีความเชื่อกันอย่างนี้จะเป็นส่วนมือความจริงและพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่สว น, นภูมิครั้งแรกก็ตรงที่ภาคอีสานและประเทศราวนี้แหละพุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้ถ้าธาตปนมพระธาตุเชิงชุม่มรู้ว่นแต่เป็นสัญลักษ์ศักด์ สีสักขีพยานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานก่อนที่อื่นใดในสุวรรณภูมิภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไม่มีชื่อเกี่ยวกับสุวรรณภูมิแต่ในภาคอีสานนี่มีอำเภอสุวรรณภูมิมีจังหวัด ร, ร้อยเอ็ดมีจังหวัดสุวรรณเขตแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวน้วนแต่อยู่ตรงนี้เท่านั้นพระสัตดาได้มาฝากอุรังคธาตุประชุมร้อยพระบาทไว้ถี่พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุ พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นปลาทั้งหมดนั้นรู้ว่านีเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญในทางพระพุทธศาสนาแต่ทนายเนาะลูกติดตาพวกของพระภูมธมีประพากรในยุคมีจึงถึงกับตกต่ำขนาดนี้มีความสะท้านญ่านกลัวหวาดกลัวต่อภัยซึ่งมองไม่เห็นตัวแล้วพากันญ่านตายกลัวผีเมื่อจะมาเอากลัวว่าจะเกิดโลกไร้ตายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาที่คนงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคอีสานเดินทาง ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็พากันนอนหลับไห ล, ลาตายผู้ง่ายๆก็คือนอนหลับตายไปเลยแล้วก็เลยพากันหวาดกลัวใหญ่ปีนี้จะแพ้ผู้ชายฝ้าเข้าไปนันเ อ, อเป็นครูอยู่ขออ้างอย่างคือบึ่งตือนเสียมกันแทนอควยเถาตื่นไถถือศาสนาพุทธมายาวไกลก็เลยไม่มีที่พึ่งหันไปพึ่งอะไรกันอีกแล้วทีนี่วันนี้ก็เลยคิดไปคิดมาคิดได้หน้าจะต้องเทศในเรื่องนี้ วันนี้จะขอปาทกาทระทารมในเรื่องมนตวาดผีคาถาตะไลาตาย <c oughs> ฮอะไรๆเจฟาปาไกดีแล้วก็จดจำไว้ให้ดีถ้าปู่ใดหวาดกลัวรักตัวกลัวตายเบื่อนายต่อสภาพเช่นนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปซื้อยาทาเล็บทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทองไม่ต้องไปซื้อสินผาดพงมันหนุ่งหอมไม่ต้องไปถาไมา้ทำรูปปลักเค็กอวัยวะเครื่องเพียรผู้ชายเครื่องเยี่ยวมาห้อยตรงเตงขายขีดหน้า เสียยี่ห้อชาพุทธหมดเลยวันนี้ก็เลยคิดได้เดี๋ยวคุยเรื่องมนต์ตวาดผีอา้าวใครัวตายแล้วก็ฟังทางนี้กันหน่อยพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานจ่มใสรู้ข้อที่คิดรู้เกิบที่ทํารู้คําที่กล่าวอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับเราเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรจะต้องรู้ชัดมันลงไปเพราอเห็นนั้น ถ้าหากเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เรายังเป็นอุบาศกกันไม่ได้อุบาศกอุบาสิกาผู้นั่งไกลพระรัตนมไัยมีคุณทํามห้าประการพระพุทธเจา้าท่านบอกหนึ่งมีศรัทธามั่นใจในพระพุทธประธรรมประสง์สนี่ศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติไม่กระทบกระถางเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อมาก็มีความเป็นผู้เชื่อ ในเหตุในผลเชื him, like ่อกรรมเชื่อวิบากแห่งกรรมคือกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคนตือนข่าวขาว่าผีแม่ไม่จะมาเอาผู้ใช้ก่อพักันตือนเผอเอ๋อเผวเวผอว์แผวเวคูอยู่ข้างอย่างคือบึงตือนเสียมคือคั้วเถื่อตือนไทยพากันย่านตายเดี๋ยวก็บอกว่าภาษีอ่านเกิดตรงโน้นก็เหงกันไปภาษีอ่านผูภาษีอ่านแมเเกิดขึ้นก่อพากันไป เดี๋ยผมมีบุญเกิดขึ้นสงสารผีน้องชาวอีสานเราเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนี้ปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่อ้าวเกิดผีบุญผีบาปขึ้นบัญตเปอกุตกรอเราเภอการเพื่อพ้นจังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานก่อนหลังไล่กันไปผู้มีบุญก็ไปเข้าเป็นสมาชิกของผู้มีบุญผู้ผีบุญชวนผู้ที่ไม่มั่นใจว่าตนเอง จะมีบุญเป็นผู้มีบาปเป็นผีบาปก็ไปหาหาบพฮหาทรายไปตัดกำตัดเวนหาบพฮ่ทรายมาไหวมันจะตายเป็นเงินเป็นทองว่ากันเข้าไปโอ้ยม่าสมเพทเวทนาหรือเกินอะไรอะไรก็มาลงกันที่ภาคอีสานบ้านเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อพายุ เกทลมปากใต้คนอีสานตายมากที่สุดอ้าเถ้าไปไลตายอยู่สิงคโปร์คนภาคอีสานตายมากที่สุดไปถูก้อยเพยในทะเลทรายตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียของคนอีสานมากที่สุดทำไมหน้องจึงเป็นเช่นนี้เราไม่มีศักยภาพอะไรเลยหรือที่นี่ทางตายทั้งนู่นตายและทันนี้ก็หวาดกลัว พ้าผู้ที่ชาญสอนเราให้เป็นผู้เชื่อกามจะไปทื้อมองค์นเตือนข่าววกกดห่องบนได้วาเดชะนี่ห่องบนได้วามโลเขาวายาดอี ย, กอยัก็ะยาดกอ น, นู่ทีบาททีบุญเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอ้าวนักบุญบ้านหน้องบักแก้วผูมมีบุญบ้านน้องบักแก้วอำเภอวังสุพรงจังหวัดเลยก็คือการ น, นั้นเนี้ปีนั้นไล่กันมากับพากันวาดพาการกลัวอ้าวเดี๋ยวผูมมีบุญเกิดขึ้นเดี๋ยวอันนั้นจะมาให้โดนเกิดขึ้นเดี๋ยว มีพวมีบุญเนนคงเนนค้นนาอะไรพอพขึ้นมาในภาคอีสานนี่แหละเยอะที่สุดเลยแล้วภาคอื่นเป็นยังไงเพราะเหตุนั้นชาวอีสานของเรานี่น่าสมเทชเวทนาน่สาสงสารก็เลยพากันหวาดกลัวคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือร้านขายเครื่องสำอางยาทาเล็บยาทาปากฉะนั้นอาจจะคิดว่ามันเป็นหยังเดียวที่มันสัญญานตายก็ตกตาการไว้ว่าธรรมดาธรรมดาถ้าหากเรามั่นใจในการ เป็นอยู่ของเราเชื่อกรรมไม่ถือมงคนเตือนข่าวว่าชีวิตนี้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องโบกมืออำลายาติมดิดวงอาทิตย์สตูขู่เวนใครไม่ข่าวเราก็จะต้องตายไม่ตายหนุ่มก็ตายเท่าบางคนเกิดมาตายมาแล้วตั้งแต่ในท้องม่นจะผีเหม่หม่งแหม่ไ ม, มอะไรเอามาดองแต่พวกเรานั่นพากันหวากลัวจะมาไปเทศไปปลาธกรทําในที่ต่างๆเห็นแล้วก็ สงสารพี่น้องเราบางคนเท่าเกือบตายแล้วผู้ชายหัวงอกมาใส่บาต ท, ทาเล็บแดงเท่งทั้งเมืองอุบลนั่งไก่เชื้อวันก่อนไปวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่น้องท่ะเมืองอุบลก่อนนี้ผู้เท่าทาเล็บแดงแดงมาใส่บาตรโอ้ยแล้วสมเทศเวทนามาทางเมื อ, องสักคนทุกนครบันนมน้องคายกับผเป็นอีกคือกัน แม่เตือนกันเลือเกินตือนงัวตือนควายรั้งกันไหวเตือนประชาที่ปไตยแบบกระต่ายเตือนกูบดตูมนี่ดึงกันไม่อยู่เนี่ยันหะาเรียกว่ากระต่ายเติบตูมคนวาลาณพูดไว้ในหนังสือประเสริฐว่าการมือห่อนห้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาหลายหล่นกว่าคนคนมีหน่อยนายลายเลือภัยหัวดอนด่น้ำก้นกอ น, นดำกว่าฉันหัวดอนด่ายน้ก้นกอนดำคนหัวดำคนหนุ่มคนสาวเขาซื้อเล็ด เขาซื้อลิสติกมาทาปากเขาซื้อยามาทาเล็บเป็นคนหนุ่มคนสาวเดนีกหัวดอนหัวงอกแล้วก็ยังมาทาเล็บแดงแดงแน่หัวดอนแต่น้ากนกรดดำว่าหัวงอกหัวดำไปก่อนหัวดอนนลำหลังมองแต่ในแง่ที่มันไม่ค่อยจะดีเด็กนี้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาวิ่งตามเด็กน้อยแล้วทาเล็บแดงแดงเพราะเห็นนั้นวันนี้จะต้องพูดคาถาตันไหลตายมนตวาดผี เอาถ้าใครกลัวผีจะใครกลัวไหลาตายก็ช่วยกันฟังเป็นปกติมานานแล้วตั้งแต่ศาตนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นคนทั้งหลายเขากลัวตายเขาไปหาภูเขาบั่งป่าไม้บั่งอารามลูกหาเจดีสวนป่าเจ้าถุงเจ้าถาเจ้าจป่าเจ้าเขาไปหมอบราบข่าเกี่ยวยอมเล้วอย่าเหตุเพยผู้คาเด็กไงก็เลยมีผีมีสางขึ้นมาเป็นความคิดของคนเราพระหุ้งเวสลนังยันติปภตตาในบรรณานีนาน้จะอาลามาลูกหาเจดียามมนุษย์ปัญญาตาชิตา พระพุทธเจ้าของเราท่างพวกมนุษย์เป็นอันมากย่านตายเมื่อเกิดภัยคุกคามภัยมาจากคํำว่าพายา บ, ยบไปว่ากลัวกลัวภัยนำไปว่ากลัวไปว่าย่านเมื่อย่านมาเล้วย่านยังแต่ย่านตายนั่นละ่ะย่านตายก็วิ่งไปหาต้นไม้พูเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปบนไปบานไปสานกลาวถ้าคนลาวก่อขันเขาแหลกซี่เลี่ยงเนี่เลี่ยงยังบานแลเวเราให้ไกลโต คนลราเราชอบกินเหล่าไหา้เหล่าโทใช่ไหก่อนไก่โตที่แท้กับคนเป็นๆ น, นี่ละยากก็เลยคิดว่าผีก็คงจะอยากแนวนั่นถ้าเป็นผีผี่น้องทางเมืองจิงก็บอกความโม บ, บายเสนานหลุงเตียนาเนี่ยถ้าเป็นผีทางพวกฝรั่งก็คงจะต้องไปเส้นส้วงวงบนด้วยขนมปังมกักกะโลนีเอ้ยฮอทดอกเอ้ยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้เป็นมโนภาพ ที่เกิดมาจากสัญชาตญาณอันหวาดกลัวแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เรื่องผีเมี่ยงไม้นี่ก็คงเหมือนกันก็เห็นผู้ชายไปไหลตายมากๆถีอสิงกะโป่งกอก็เลยคิดว่าผีเมี่ยงไม่ามาเอากล่อให้ผู้หญิงไปทํางานเหมือนผู้ชายถือสิงกะโฟมออกหมาวไปทํางานอย่างเดียวกันอยู่อย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันนั้นก็จะตายอย่างเดียวกันก็ที่นี่ก็ผีพ่อแม่ได้บาดในเสดจังไถยอมผู้หญิงก็เลยจะต้องไปซื้อทำไงตัดผมสั้นที่นี่นะตัดผมสั้น หรือ ก, กงกลงกางเกงอะไรมาใส่ให้หมดุดรวยอีกเจ้าของคนที่ขายพอเหตุนั้นเรื่องนี้เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปพึ่งพาอาศัยเหล่านั้นไปหลอกให้ผียานหลอกให้ผีหลงความจริงมีแต่ผีเหลอาคนหนึ่งคนจะหลอกผีหลอกให้ผีไม่หมายเห็นว่าโตนเนี่เป็นเมียหนึ่งพอดีหน่าสมเพศเวทนานี่ทุกหลอกกันอีกแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เราไปหลอกผีนะ ผีคือคนป่าถนาผลประโยชน์กําลังมาหลอกเราอย่างปีก่อนก่อนู่นอาจะมาเกิดมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าคนเกิดปีมะจะตายให้ไปเส่นท่วงบวงบุญกันให้ไปแก่กันทําบุญกันคนเกิดปีมะมันหลายมะนะมะเมียมะแมยมะลงมะเสยอยงมันจะมีคนมาบอกมันหลายมะตรงสี่มะมันก็เลยจะต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะอันนี้แล้เพื่อนว่าหัวดอนแดงน้ำก่นก่อนดําเด็กน้อยไปก่อนแล้ว เขาทาปากแดงแดงเขาทาคิ้วโกงโกงเข้าเขียงปากทาเล็บเอาแล้วผู้เท่าก็เอาด้วยยัน่นไม่ทันเขาหรือ ย, ยังไงนี่แล้วก็ไปบอกว่าหัวดําดไปก่อนหวัวดอนนาหลังคนโบราณ น, นั่นพูดไว้คํานึงว่าใส้ลังหลาประมาณปลาเถกแต่เต่าพยายามอย่างมือเสาข้ามผอว่าเป็นพ้น น, นนะนะความจริงได้แต่ความโง่ อ, งอยู่ตลอดไม่มีวิวัฒนาการของตนเองไปเลยเพราะเหตุนั่น อาจจะมาจนคิดว่ายังไงยังไงวันนี้ตรงมาพูด ก, กันเรื่องมนตวา่าผีคาถากันไหลตายทนายร้ายที่ตั้งยิ้ฟังก อ, ง ข, องขึ้นนั่นโบ้แทบบาดที่ว่าเตรียมตัวเอาปากามาจอดรถเพื่จะเล่าเรื่องว่ามนตวา่าผีแต่ใครจํำคาถานี้ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าผีจะเอามาไปกินผีพ่อใหมา่แม่ใหม่ต่อให้ พ, อพ่อผีนี้ก็มาทําอะไรไม่ได้ <laughs> จะไม่ดีนะเตรียมตัวค่ะ เมื่อก่อนท่านสาธุก็พูดเรื่องคาถากันผีเหตุให้ฟังเลี้ยวแถ้าเป็นยังไงมีใครจําหน้ามีใครเอาไปทําั่นแหละก็บอกหวยก็เอาอาตมาใครอยากถูกเลขมาบอกแต่ปรากฏว่า บ, บอกแล้วไม่มีใครซื้อเขาซื้อแล้วมันถูกเขาอยากจะเส้ยเงินเขาไม่ซื้ออย่างที่อาตมาบอกวันนี้ก็เลยจะบอกต่อไปว่าไม่ต้องไปซื้อยามาทาเล็บไม่ต้องไปจ้างเขามาดัดผมให้ดอกไม่ต้องไปซื้อลิปสติกมาทาปาก ไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทรงมาใส่เราเนี่ยจะมีคาถาตวาดผีมนตวาดผีแล้วก็คาถากันไหลตายพูดถ <c oughs> ึงตรวงนี้นก็อยากจะพูดต่อไปว่าลักษณะอาการตายของคนโดยทั่วไปนี่มันมีอยู่แปลกๆอย่างนี้แหละเพราะว่าคนโบราณก็เคยพูดไว้ให้เราเห็นว่าในอนาคตตการพอซ้อ ศาสนาหวมดำสองพัปีปลายเศษไปนน่นถึงเขาแข่พันดีสามอัปปีเป็นต่างไปลงเรื่องเรื่อยเมื่อคนทั้งหลายจะพากันนั่งตายนอนตายยืนตายนี่เดินตายนี่อะไรนอนตายก็คือไหลตายเนี่ยท่านเกา่าในหนังสือโผกหนังสือใบลานหนังสือกอลําพื้ น, น, น, เ, นเมืองคนโบราณดูเหมือนจะท่านเหล่านั้นเมื่อกับจะรู้จักเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ก็เลยได้เล่าเล่าเอ า, เอาไว้ได้เขียนไว้ในหนังสือผูกนังสือใบลานอย่างหนังสือลําเพื่อนเมืองเป็นหนังสือผูกใหญ่พอสมควรแล้วก็เล่ามาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปริญิพานใหม่ใหม่เหตุการณ์ของภาษาศาสนาเหตุการณ์ของชุมชนบ้านเมืองความเป็นไปดินฟ้าอากาศตลอดทั้งประหยาธิโลกาอะไรต่างๆเล่าไว้หมดเลยคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นมีญ า, าณทัสนะที่รู้ลวมนะ ข้อพายเขานำมาเล่เหตุการณ์ที่มันเข้ากับอาการไหลตายในขณะเนี่ยนั่นยีตอนหนึ่งที่พวกผููเถ่าเล่าไว้ในหนังสือไมวลานเรื่องลําพื้นเมืองตะเคียม่ว่าศาสนาหลวงเข่าถึงเถตพันธ์ที่สามหักอปีเป็นต่างไปเรื่องเลือยฟุหมูดสังโคเจ้าไปบวชน้าหลังภาคกันไหลลาปลาบ่อตามคลองเขา่าคือว่าอุโบสถนั้นบ่ภากันสูงสดุดซะแล้วเมื่อวันที่ผ่าคำนำเล่ยจ่อยบ่สั้งซ้อนนี่ ข้อนี้ก็มีมากแต่นี้ไม่ค่อยจะลงอบโบสสังฆกรรมกันดอกตามบ้าหนอกบ้านนาต่างองค์ต่างอยู่ตีกองแรงกองดึกขอให้รู้ว่าเป็นวันพระเดิมมาจังหันในหลายนี่อะไรทำนองเนียและไม่ค่อยจะลงกันจริงๆต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่กันบางอย่างวัดที่ท่านอยู่กันมากๆท่ะมีพอที่ก็ลงคนนั่นเองนี่บางวัดเล็กๆน้อยๆมีพระองค์สององค์ไม่ค่อยจะสนใจจะเดินไปรวมวัดรู้วัดนี้บางไม่เอาเธอที่ถือเทอมานากันไปอย่างนั้น คนโบราณยังบอกว่าฟงมุดตังโคเจ้าไปบวชน้ำหลังพากันไ ล, ล่ล่าป้าบอตามค้องเขาคือว่าอุโบสถนั้นบอกพากันสูงสดเมื่อวันสิบห้าคานั้นก็เลยจ่อยบอสั่งสอนประทันพากันทับท้อนถิมถมข้องของเก่าป้าดีหมกเหล่านีบ่มีใดสูตรเห็นแทอแล้วฮะแต่ค่วมสนุกเล่นบ่มีเลยซีโออาวตั้งแต่ค่วมตัวหายไปหนาหมนมง ตั้งต่อควมำตัวหายไปหนามุนมองฝูงหมูสังเจา้าบ่กลัวหยานบากปปาปังว่าแต่เห็นทางสิสด็จกำไฟาทางตนหาบ่ไใดอาไลาถึงต่อทำปุถุเจ้านี่แต่เธอมิซาติทีแท้กบกลมกันหันใส่ส่วนว่าภูถือทำลินาา้นในแต่แท้หาดายอยากแค้แท้แล้วว่าสันคนโบราณพูดนะไม่ใช่มาพูดเราเองเลยมาเล่าให้ฟัง เมนจังนับเป็นรลอยเป็นพันก็ตามสร้างหาผู้ทื้อเทียงหมันทำทเถี่ยวเมนบ่หมีแต่แล้วเกิดเป็นอลัสซี่กิดบ่ฟังคำสัง่งสอนสั่งอุปชาผู้บวชให้แท้แท่บ่ยำย่ยานทอเม็ดหน้าบางแห่งเครียดให้อุปชาเึกวันนี้บวชพุ่งนี้กับอุปชาคนใหม่อย่างนี้ก็มีเด้อเด้อเด้บานเมืองเราเป็นอย่างนี้จึงบ่หวาอุปชาผู้บวชให้แท้แท่บ่ยำย่ยานทอเม็ดหน้าเพราะว่าเมธ่าไทยผู้โหแห่งธรรมะขัน กบอกกลัวเกงกันกาวขวัญทางฟกเขินฟงมูเนนาหน่อยบ่กมีกลัวผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กหนุ่มน่อยบอกกลัวเถ่าแก่สารพุทธตีบุทธาน่อยบอฟังคำพ่อเมย์มินติสอนใจใจไปแล้วกะเหล่าสยเขาเสื่อโทรทัศน์ุ่งเขาเชื่อนังเชืิดละครก็าจะมาเชื่อพ่อเชื่อแม่หุ่เจ้าอียงเจ้าก็แต่แห้งกินบักะยงมีปลากเอาไว้ก็เคียวมากตะยูซซื้ออยู่สมเ่านี่ยเขาด่าเอาซ้ำพ่อแม่ก็หันหน้าเข้า้ายยักษ์ตายดีตอนนั้นแล้วบาด เคยพยายาเ ย, ยงหย่าดตาหน่ายเจ้าโคตรวันค้นทำบุญเขาบ่ได้ย้อนหยาดนิ่งท่าตับชมแหงไัยบ่ถือไัยแถถือตัวเองอวดฉลาดเ พ, าพดราะว่าผู้ปกครองกับบ่ตั้งเทียงมันในแห่งข้องทำมีแต่การคมแหงบ่เทียงทำทรงไหวอันว่าโจโลนั่นก็มีหมากหลือร้ายมันบก่กลัวเกงน่ายเทียวระดมเล่ยป่นมันจะเป็นตาหนายทั้งกลางวันกลางคืนเทียวระดมเล่ยป่นเพราะว่าฟุงน่ายนั่นกินนํากันทุกสองว่าัน แน่ปองไห้เขาสั่มเตืมทาวี่เจ้านายก็เอานํากันแน่ปองไห้เขาสั่มตืมทาวี่จับบีที่ยินดีเลยหอามาปันกันห้องวา่าครับก็เลยป้นกันทั้งกลางวันกลางคืนป่นแบบไหนป่นแบบเดเรคชันหรืออินเดเรคชันปนทางตรงป้นทางอ้อมก็ได้อยู่ดีๆเอานังเอาละครยั ง, า ง, า ง, างมาโต๊ะผ่าตั้งเนี่ยป้นทางอ้อมเนี่ยนี่เจ้าหลอกตัวเอาเงินมาให้คอยไ ว, ไว้วเจ้าถอนมันเอาเงินมาไม่คอยไวไว เจ้าที่เขาขึ้นบ้านเอาเงินมานค่อยไวๆเอาหม้อลำเอาดนตรีเอานัง่งเอาริสโกเทคเอามาป่นเอาเงินในกระเป๋าคนนี่วาป่นท่านก็เวนกลางคืนพิษกฎอนไม้ก็ไม่เพิษทหารกินน้ำกันจึงบอกว่าเจา้าน่ายบ่ต่างเถียงไม่ไม่ทำพวกหมู่โจรก็เลยเทยวระดมเล่ป่นท่านกวันกลางคืนเทยวระดมเล่ป่นเพราะว่าเจ้าห น, หน่ายนั่นกินน้ากันถูกซองเนี่ยปองหาเขาสํายิงทวีมันถักเป็นดังหนีจึนหอนเ่งทั้งส่งผู้ พวมูเทะ พ, พาพายบอแหล่เลี้งเยี่ยมจึงได้มาเที่ยมเขาหัวใจคนบาปถ้าไม่เกิดอุปรบัติเกิดนี่แข็งสูอันเน่ามาฝนตกนั้นบ่ตามดูคือเกาตกก็าหักตกมากหล่นจนถวบมตัวแดนแล้งก็าหักแหลงมากหล่นจนแผ่นดินเป็นผงอันวนาวกว็าหักน่าวเลือเกินตา่างหลังลายสัตวอันวฝ่าก็หายกระดอกจนมาพาคนตายต่างหลายเนี่ยเป็นนักปวดท้องถึงได้อีก ฟุ้งูโลคฆ่าไข่วัดไอพญาเพบางพองเป็นขีกาเขือนหิตหายขีกากสู้อ่ะบางพองเป็นวัดไข่ไอ้ยือเขือหาบางพองอือหลือทองปูน้วงทองไข่บางพองขี่มอรถตอดแปดห่ยเบื่อเลยบอกขาดใจชวนมาฟุ้งมูสัตหยัยมูสัตหายอันตรายมีมากเกิดขึ้นทัว่วภาคเผื่อดินดันทั่วไปฟุ้งูแม่หหมดไม่กลับเกิดมีผิดไถ่ไปตามติดต่อตายตึก ต, ตนนี้ แมงกอควมนตายนี่ก็นี่มาแปลกแปกบรได้เป็นดังดําเดิมเขาเกาลังล่างคนนั่นกินเขาหนานํากันผัดลมเท้าเลยดาวดิบตายจ่อยบ่อขึ้นล่างคนนอนในห้องนํากันบ่อหั่นตือนบ่ฮะปุกลุกขึ้นตายเหล่าแต่หิงไหลตายอันนี้เนี่ยเขเวลาถ้พูดอย่างนี้ตอนไห้ล่างคนนอนในห้องนั่งกันบ่อหั่นตือนบ่ปุ๊กลุกขึ้นตายเหล้วต่างแต่หิงล่างคนไปบ่อหั่นตึงห้องขึ้นตนกะลมเท้าเลยลราหมดหมดเหนี่ยนตายขับบ่อขึ้น อุบาณีมีมากเลื่หลายบาจรจาคพระนานับอ่านดูไปได้ราวาทั้งดินฝามฝนบ่มากคือเขาคนบถือเหตุเขาข้องพระตโตแต่ปถมรสัตมันเป็นอย่างนั้นเทวดาก็เลยบันดลเขาหัวใจไปต่างโตกระว่างศาสนาเคืงคอยทําให้เกิดเป็นอลัลลอฮฺพูภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเวาให้ฟังนี่คือคนโบราณพูดเอาไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองมีเยอะมากนะขอพูดเพียงแค่นี้เราให้ฟัง นี่คือเโลกไหลตายคนโบราณก็ได้พูดไปแล้วมันจะตายกันอย่างเหยไ ด, ด้ที่สุดที่นี่ทำยังไงจะไม่ไหลาตายทาเล็บแดงๆกันได้ไหมทาปากแดงๆกันได้ไหมดัดผมเหมือนผู้สาวกันได้ไหมซื้อเสื้อยกทรงซื้อสิ่งมาใส่กันได้ไหมบอไดบางคนเกิดมาตายเมื่อไแต่ในท้องก่อ น, นี้บระหันไดไหลตายนี่คือความจริงธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายแต่ประยานมันยัง ถ้าทาคุณงามความดีว่านี่พร้อมทําดีไว้ก่อนตายมีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแรงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นู้ไม่พ่ายแพ้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นจะตายไปไหนมาสิสําหนิสิไปหาญาติถ้าหากเรารู้จักตัวของเราให้ดีๆมีสติสัมปชัญญะสิญาต์เองหนอสําตายตายกับเกิดมันก็คือนอนหลับก็บตื่นขึ้นมาเท่า น, นั้นเองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ย เรานอนหลับทุกคืนหูมื่อบอกว่ามันหลับยามไดนบอกหเมื่อจ้อยตื่นขึ้นมามื่อวันเต๋อโอ้ยทำไมหลักรับเนิ่มไดลองซ้อมดูดีสิว่าเวลาหลับมันหลับเวลาไหนหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนดู่สินอนหลับทุกคืนรู้จักไหมว่ามันหลับเวลาใดตื่มือจึงรู้ว่าโอ้ยทำไม่มันหลับหลักหลับเนิ่มไหนี่แหะคือความมึนเข้มแข็ง มี่งของสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันในอาการนอนหลับการหลับคือการตายน้อยตื่นขึ้นมานั่งคือการเกิดอีกเลี้ยงมากก็ตายต่อตื่นขึ้นมาก็กาเกิดอีกเกี่ยวกับเรียกว่าตายน้อยอตายชั่วขณะตื่นชั่วขณะอยู่เสียตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเวลาหลับก็ตายน้อยอืมตื่นขึ้นมาก็เดี๋วนี้ทคนี้มันก็นมีอีกตายใหญ่ก็คือตายหามไปฝังเลยหามไปเผาเลย เธอจะมานี่หน้ากูติขุดไว้แล้วคุดเว้ให้ยัง้งเตรียมเตรียมเตรียมฟังบอกพระเนนที่วัดบอกตลอดถ้าผมตายไม่ต้องดุ่งอยากลําบากนะเฟื่อที่วัดเรามีเยอะกว่าขน ข, น, ข, น, ขนมาสมเข้าท่านตัางร้ายกันได้มาติกาบางสกุลกันเสร็จเรียบร้อยคุณงามความดีทั้งหลายผมก็ได้ทําไว้แล้วถ้่หากชาติหน้ามีท่านก็ไม่ต้องห่วงผมท่านต่างร้ายจนห่วงตัวท่านประพฤติปฏิบัติทำเท่าที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ให้มันจะมีอะไรมากกว่าการตาย การตายก็เหมือนการนอนหลับทำมีสติสัมปชัญญะตั้งใจตายอย่างสาบายแหงพระอริยเจา้าพระอรหันต์ต่างหลายท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากโยนาพินันธามิมรนังนาพิณันธามิชีวิตังเราไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ไม่ชื่นชมกับความตายที่มาถึงตาหลังจากปฏิกังเขวะนิปิสังวัตโพยะถ้าเรากําลังรอคอยเวลาตายมาถึงเหมือนลูกจา้าเราคอยความสิ่งไปแห่งเวลาแห่งการทำเงื่อนอย่างนี้สัมปชานโนปฏิสโตเรามีสติสัมปชัญญะโยก ท่านทหลายเคยสังเกตเห็นตะเกียงที่หมดน้ำมันมันกําลังจะหมดไหมเวลาตะเกียงหมดน้ำมันมันก็จะแดงรีลงรีลงรีลงเวลามันจะหมดมันก็มีมีไฟลุกวาบขึ้นมาสะก่อนแล้วมันก็มอดปับก่อนที่เราจะหลับก็ไม่ผิดกับตะเกียง่วนที่มันจะมอดมันหมดน้ํามันแล้วมันก็จะดับไปเวลาจะตายก็เวลาจะนอนหลับไม่ผิดกันเหมือนกันเป๊ะเลย ถ้าหากท่านมีสติสัมปชัญญะรู้จักเวลานอนหลับอย่างเนี้ยท่านก็จะรู้จักเวลาตายไม่มีอาการไหลาตายเลยไม่มีอาการหลงตายพระพุทธเจ้าท่านพูดบ่อยๆเพระท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกนะผมไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวาระวักเล่มที่สิบเก้าข้อที่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดหน้าที่สี่ร้อยสี่ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็จําไว้ให้ดีว่าเล่มที่สิบเก้า มหาวารวักสังยุตตนิกายข้อที่พันสามร้อยสี่สเจ็ดแต่หน้ามันอาจจะไม่ตรงกันผู้ที่จ้าของเราท่านตัดไว้บ่อยๆ อ, อยู่ในทีปโสโตนีนทางกับพื่ตอนสุดท้ายท่านจะบอกว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยจะรู้จักชีวิตเมื่อแต่เวลามันจะตายดูตนเองตายเมือกระบูตะเกียงมอดเสยธาปิพิกเวเตลังจะปฏิจจาวัตินจะปฏิจฏจเตลัปฏีโป ชายยากแต่เสวะเตละสะักชาวติยาจะปริยาา h า n a ณฮาโรนิพหายยะขออภยัยผููเป็นภาษาบาลีท่านทั้งหลายอาจจะค่อนข้า ง, งจะฟังยากสักหน่อยจต่เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลให้ท่านทั้งหลายฟังพระศาสดากล่าวว่าที่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนะถับน้ํามันจะพึงลุกโธงได้ก็เพราะอาศัยน้ํามันและใส้ พรอะหมดน้ํามันและใส่ประทีปน้ํามันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดที่คือก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดอวัเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อตเวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเกาะรู้ชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเห็นไหมท่านบอกว่าชีวิตับปริยัตานาชีวิตัปริยันติกังเวทนังเวทยกามีติประชาณติการยศัพเพทาอุทังชีวิตัปริยัตานาอิเทวาสัพภเวทียิตานีอภิ นันที่ตาณิสีติพระวิษณ์สันติติปชานาติก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกเนี่ยเวทนามนชีวิตเป็นที่สุดถ้าเวทนามีชีวเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละยังไม่น่าเปื่อเพลินไม่น่ายินีจักเป็นของเย็นเพราะขึ้นชีวิตบร้งนึงแต่ตายแต่ถ้าท่านมีตรูอยู่ถึงขนาดนี้จะรู้ชัดเลยว่าเราจะตายเรจะเรียกเพื่อนเลือกกุ้ง พระโย ก, กับลูกกับต้าก็จะบอกลูกเออหลานเออปู่จะไปอยากจะไปเพราะไงไม่ไ ง, ไงจะไป น, จ, ไปนจากเจ้าละเดอ้อมีอะไรก็สั่งเสียได้แต่เป็นพระทรงองค์เจ้าก็จะบอกลกูกเสร็จลูกหาว่าทานจังายแต่ออกตั้งใจประพระคุณงามความดีมีสีิสัมปชัญญะนะผมจะจากไปแล้วไม่ใช่ผมตายร่างกายเมันจะแตกกระจายกระเพื่อมะนี่พระนักปฏิบัติที่ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจะรู้อย่างนี้นี้ดอกจะมากระบนกับวายย่านตาย และพระศาสดาทัานก็ส่งกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีสติเยู่ยทุกลมหายใจนั้นแหละจะไม่มีอาการไหลตายตอันี้สองของความเป็นผู้มีสติเยู่ทุกลมหายใจจะไม่มีอาการหลงทํากาละคือไหลตายไหลตายตและจะมีพูดอีก ว, วา่าผู้ที่มีศีลนั้นอีกเหมือนกันจะไม่มีโอกาสไหลตายตบุคคลที่ตายส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่ย่านตายนั้นคือไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติว่าเรามีศีลหรือไม่ แล้วมีคุณงามความดีพร้อมที่จะตายแล้วมันไม่กลัวตายดอกยัอยงอาตมานี่ตั้งแกตายอยู่เป็นประจำหลักไม่ใช่อยากตายไม่ใช่อยากอยู่วันก่อนวันที่ยี่สี่นั้นไปเทศที่จังหวัด อ, อุบลราชธานีวันเทศสบาลแห่งชาติรถวิ่งเลยจังหสกลนครไปเพราะเราจะต้องออกทั้งแต่ยี่สิบสองไเลยสกลนครไปอาตมามีความชุดอนด์หนักตอนเดิน ม, มาขึ้นรถก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเออกลางคืนถ้ารถมันวิ่งไปเดิน เ, เมื่อเนี่ยถ้าเกิดไฟมันดับปั๊บลงไปหรือเราจะทํำยังไง คิวมันขาในคนขับก็มองไม่เห็นถ้าเกิดในทางโค้งก็จะหักไปยังไงก็คงยิ่งต้องไปทนเจ้าลงตะของจะต้องคว่มจะต้องตายกันบ้างถ้ามีรถหน้าสวนมาไฟเราดับเราไม่เห็นอะไรเราอาจจะต้องถูกทนนี่นี่ความคิดมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มือก็เลยล้วงใส่ลงไปในย่ามไปเอาคไฟฉายก็ลเลยถือไปฉายไว้ในมือว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งไปในเครื่องอ่ไฟยฟมันดับคือมันชอ็อตอย่างเนี้ยเราจะทํายังไงมันคิดอย่างนี้ พอเล ย, ยว่าตะกรอนนประสู้ขาดจริงจรปั๊บมือแบบเตื้อเลยคนขับไม่รู้จะทํายังไงกําลังวิ่งเหยียบไปร้อยไปมร้อยเลยอาลมาก็ควักไฟฉายออกมาฉายให้เขาเห็นนี่นี่คืออะไรนี่ก็คือการไหลตายเอกชนิตต่างเองเหมือนกันคือเรามีสติต้องปัญญารู้ให้มันเท่าทางวันก่อนนู่นปีที่แล้วก็ไปเที่ที่จังหวัด อ, อุบลเอกรวมติดนั่งรถไปเนี่ยนั่งไปข้างหน้าวันนั้นอาลมาเป็นไถ่ด้วย จะไม่ไปก็ไม่ได้เขาในมณฑ์ข้ามปีข้ามเดือนเอาไว้ด้วยคนที่ในมณฑ์ก็เป็นคนที่มีอุปการะแกมาถาวายเงินซื้อที่ดินอ่าขยายวัดขุดสระร่วมกับฝรั่งนี่แหละใช่ไหมนั้เอถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ไไดเป็นทายก็ต่างเดินทางไปในขณะที่นั่งไปในคนขับก็ค่อนข้างจะเมาขับรถเร็วมากเลยแกมันก็คิดว่าถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยคนเต็มข้างหลังเนี่ยเขาจะเจ็บจะปวดเขาจะล้มจะตายเพราะเขามาฝั่งเทศเราแต่ก็ว่าวันนั้นจากนี้ความความต่อไป คนก็ไปด้วยเยอะเลยรถไปสองสามคันจะไปฟังเทศอาจารย์สมภพที่อำเภอพนาจังหวัดอุบลแต่มาก็นั่งไปกาหนดสติอยู่ทุกลมหายใจมีสมาธิโยตลอดในลมหายใจพอดีควายสองตัวมันวุ่งไล่เลยขึ้นมาบนถนนตัดนาะพอมองเห็นปั๊พอดีในใจมันก็บอกว่าตายเตรียมจดตายเพราะรถไม่มีทางเล็กยงเพียงรู้วิ่งก็คู้สมาธิปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตาย เราไม่เอาอีกแล้วร่างกายสัน้นๆอะไรสั้นไม่เอามันทั้งนั้นปล่อยวางเลยปั๊บเจ็บมันก็วิ่งรู้สึกความสงบ้วมันก็ทนโครงขณะนี่นมันทนควายมันก็ไถกันลงไปในถนนเลยตรากฏว่าควายก็ตายลุกไม่ขึ้นเลยยกกับขี่เลยตัวอีกตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายไปรถก็ยับเยินข้างน้าไม่มีใครเจ็บใครปวดออกมาจากสมาธิพอ น, นั่งไปด้วยกันสองรูปคําแรกที่อาตมาพูดออกมาว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไร ท่านที่นั่งไปด้วยก็คือพระที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าสบายมากที่ว่าอย่างนี้เราคุยกันนี่คือคําแรกเมืรถชนตู้ลงไปไงไถกันไปกับควายลงไปข้างถนนเนี่ยควายก็นอนหมอบอยู่ตรงนั้นขี่เต็มหัวรถเลยอีกตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายขาหลาบับคนในรถก็ตกตะลงึงขอรถจอดได้ซะเนี่ยอีกองหนึ่งท่านจะมีสติบอกคนขับรถว่า ed, อย่าเบรคอย่าเบรคพระอาจมานั้นวิ่งเข้าสมาธิครับ พอหยุดได้เปิดประตูปั๊บถามเพื่อนหนก่งว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านองค์นั้นบอกว่าสบายมากอันนี้ก็มีคาถากันหลาตายไปนะคาถาการหลายตายได้จะเล่าให้ฟังท่านคงจะใจร้อนรอคอยหน่อยได้จะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องมีสติมีส้ำประชัญอ ย, ย่าลนี้อะไรจะเกิดขึ้นส่นเมื่อคนไม่มีสิ่งส่วนมื่อคนไม่มีสตินะที่ไหลาตาย โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศในต่างแดนคิดถึงบ้านคิดถึงทองมีความตึงเครียดหน้าทีก่การงานนี่นสินพะลุงพลังดีบพันนอนบางทีเกือบจะไม่หลับนอนง้างมือไก่นาผาพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ่งจางปลาแล้วก็ไปเจองานหนักอีคิดอะไรเมื่อมื่อคิดว่าตัวเงินเดือนออกได้เท่านี้จะส่งไปใช้เท่านั้นยิ่งอยู่ในซาอุดีอาระเบียเงนินเดือนออกชา้ชาๆเอือดอาดโอ้จะบ้ากันตายแล้วงีอาการไหลตายอีกเหมือนกันทางซาอุดีอารอะเบียหลับตายไปเลย ส่วนมากนั้นเราจะเห็นได้อัน่ะที่น่าคิดมากทีเดียวอาตมาเคยไปอยู่มาหลายเมืองเคยไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกดข์ใยากตนเองต้องไปติดคุกพอถูกแขกฟ้องกับบางครั้งยังไม่มีเหตุผลมาจับเขาคุกซะก่อนเราก็พอใจติดคุกเพื่อการกุ้คช่วยคนงานไทยเราเหมือนกันมีความรู้สึกอย่างนีง้แต่ปรากฏเห็นเป็นจำนวนมากคนไทยที่ไม่รักตัวคนไทยที่ไม่ตั้งอยู่ในสินในธรรม ไปถึงกฎหมายเข้ารุนแรงมากไม่ให้กินเหล้าเมายาตนเองไปต้มอะไรต้มแล้วก็กินขายร่ำรวยเพราะขายเหล้าเนี่ยเป็นจํานวนมาืาอแต่สแล้วมันจํานวนนี้ก็ไม่ก็ไม่ไ ม, ไม่ทําให้เขาร่ํำรวยหรอกเขาก็มาใช้ฟุ่มเฟือยไปการ น, นี่ก็ตามบางคนเนี่ยมสมัครไปทํางานเมือง น, นอกไม่ไปทําอะไรไปทําเหล้าขายขอให้ท่านได้ไปไปเลื่นให้เราอนนีกต่อไม่เอง บางคนเงินเดินออกหมดเนื้อหมดตัวพวกเล่นเฮโลไม่รู้จะทํำยังไงสารพัดจะโกงกันฝังแม่เหล็กอยู่ในมือก็ออกลักษณะเช่นนี้เห็นฆ่ากันทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อไม่มีเงินดีทองหมดล้วมเนื้อหลวมตัวไปเล่นแล้วก็เสียออกเสียใจนอนตัดตุ้มตายไปเลยก็มีเติมเทียร์กันไปเนี่ยและสิ่งที่น่าคิดอีกหนึ่งก็คือเหล้านั่นแหละไปอยู่เมืองนอกบางคนไปต้มเหล้าขายบางคนไม่ต้องต้มกินสดๆเลยเหล้านี้ทํำด้วยดีๆไปซื้อมีดมา นี่เป็นกระป๋องกระป๋องที่เขาเอามาใส่ขนมปังทําให้ขนมปังมันโกวแต่คนไทยเราไม่อย่างนั้นซื้อมาทําเหล้าใมันเป็นเหล้าโทเป็นไหวคนประวัติแล้วไปซื้อแอปเปิ้ลซึงราคาถูกไม่เหมือนเมืองไทยมาหั่นหั่นหันันหันหันฟานดีๆก็ใส่เข้าไปในกระติกเรียบร้อยก็ใส่นี้เข้าไปใส่น้ำเข้าไปแช่มักไว้เอาไปซุกไปซ่อนไว้อย่างดีกว่าเจ้านายเขาจะเห็นสามวันฤทมันออกฤทิ์แต่แล้วเดี๋ยนี่มันเป็นสาขึ้นมาที่ ภาษาพหลังเลยว่าดอกจิงดอิเนยอย่างนี้เลคือว่าดอกิคือสิ่งที่ทำให้มันมันเมามันเป็นตามาเป็นเหล่าโค่น่หละแล้วมันก็หอมกุ่นเลยถ้าใส่เข้าไปกระป๋องหนึ่งกลัวมันไม่แข็งพอใส่เข้าไปทั้งสองกระป๋องเลยหอมกุ่นแข็งมากกุ่นแล้วก็เมาตีมตบตกกะกแปนไปเลยก้งเดียวเนี่ยเมาจาหน้ากันไม่ได้แล้วบางสีตีเลยบักหนา ม, มาบะสน กันห้องเดียวก็นเลยเห็นหน้ากันเป็นหมาเลยดูสิมันจำไม่ได้จาชาติก็ไม่ได้เป็นชาติไทยมาเดยบักชาติหมาเอ้ยว่าฉันอยู่ห้องเดียวกันไปกันอยู่บนเตียงเดียวกันโอ้ยสงสารนี่ดูสิกินจนจําหน้าไม่ได้เห็นหน้าก็เป็นหน้าหมาบักหน้าหมาบัดฉันนั่งนั่งบักชาติหมาบัดฉันมันเป็นเช่นขนาดนั้นเล่าพวกนี่ทําลายที่ไปต้มกันไม่รู้กี่ยีกี่ตัวไฟพุทธแล้วก็กินกินแล้วมันทําลายขนาดไหนเนี่ยตัวนี้พวกเนี้ย เมาบางทีทําลายประ า, าททาลายสมองกินแล้วให้หลับไปเลยหลับไปจะเดี๋ลืมลืมเป็นนี่ลืมเป็นสิ่งเศร้าเป็นหญีงเศ้าเป็นสิ่งเศร้าเป็นผัวเศ้าเป็นพอ่อเป็นแม่ไม่ต้องรับผิดชอบโวยคิดไปมันก็คุ่มโวยเงินเดือนก็ได้น้อยเงินเดือนก็ไม่ออกกินให้ไปลืมไม่จะลืมธรรมาดาเลยหลับหายไปเลยทีนี้ไม่ฟื้นมาเลยก็มีบางทีหนักเพราะฉะนั้นเอาชีวมาทําเหล้าแล้วยังไม่ต้มไม่กันดื่มมันก็กรดเนี่ ไอ้ไอ้พวกนี้มีอันตรายมากขึ้นหัวขึ้นตาตาเมือ่อตามัวตาบอดมันมากก็ยเยอะแล้วก็ยังไม่เข็บไม่หลับอาจจะมาไม่ไม่เคยไปดูคนงานไทยที่ทํางานในเซ็นคาโปไม่ทราบว่าจะกินเหล้ากันอย่างนี้หรือเปล่าถ้ากินยีเหล้ายี้ที่มาทํากันเนี่ยแน่นอนท่านจะหลับไปไม่ต้องฟื้นเลยเพราะมันไม่มีสติคนที่นอนไหลาตายนั่นคือคนไม่มีสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเุืคนที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ย อย่างน้อยสันโตเจวะปณีโตจะอาเสยเจนะโกปนุปณีจะป่าปเกกุสเล่ทำเมธานโซนตรฐาเปติบูปัะเมติข้อภัยผู้เป็นภาษาบาลีอย่างน้อยทำมีสติอยู่ทุกลมหายใจนี่จะทําให้เกิดความสงบความปลานิหความเย็นชื่นใจความคิดฟุ้งซ่านล้ำคาญอกบาบอกุศลทำอันลามกเกิดขึ้นแล้วอันตรทานไปทันทีถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วยิ่งกว่านั้นท่านบอกว่าทําให้เป็นผู้บรรลุธรรม ต่างแต่โซดาดาบันสิกขาคาอนาคาอรหันแหละในข่านนี้ทำไมได้ถึงอรหันเป็นอนาคาหรือรถหย่อลงมาจากนั้นก็จะเข้าถึงตแะแฟแห่งธรรมและที่แน่แนที่สุดคือไม่ทำอาการไหลตายไม่หลงตายไม่หลงทำกาลละจะหลงยังไงมันรู้มันเห็นดูอยากนีทุกลมหายใจเพราะนั้น ในภาษาบาลีบอกชีวิตปริยันติกังเวทหนังเวทยามาโนชีวิตะปริยันติกังเวทหนังเวทยามีติประชานะติเสวเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อสุกรรมทุกข์ก็ทราบชัดว่าเวทนาในี้ที่ส่นแห่งชีวิตจะตายที่ส่วนแห่งควิตเกิดตายบอกรู้ชีวิตปริยันติกังเวทหนังเวทยามีติประชานะติประชานติทราบ รู้ทันว่าจะถึงที่สุณเห็คจะตายก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะความง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่สนใจกันไม่มีสติอยู่แล้วก็ยังเอาเหล้าเอายาทานนังอะไรมากินกันทำลายสติลงไปแน่นอนมันต้องหลายตายไม่หลายตา ย, า ย, ตายก็ขี่รถไปชนตายอะไรตายมปัญหานี่มันประดังประเดมมา น, นั้นแก้กันไม่ได้แล้วก็มาทําลายสติสมบัติชัญจะคลุมคลั่ ง, งหลับไหลไปเลยหายไปเลยเนี่ยที่เรืคาถา กันไหลตายเอาขออภัยเดี๋ยวเวลามันจะเหมาะซะก่อนท่านที่ปราถนาคาถากันไหลตายมันตวาดผีคาถากันไหลตายเตียมกระดาษจดไว้ให้ดีจะขอบอกเป็นภาษาบาลีคาถาอันนี้หรืว่าป้องกันสารพัดภัยกันไหลตายตวาดผีได้อย่างสบายมากไม่กี่คำขึ้นต้นด้วยคําว่าคาเตสิคาเตสิ เกินกระาอาหารติตังชนานี่ชนานีนานนานาเอาละนะมีเพียงแค่นี้คๆๆๆถาถานี้ไกาไปสวนร้องของบนที่ในในี้ทุ่งในทาใน่าในป่าในเขาขึ้นเครื่องบินลงรถลงเรือรับรองป้องกันสารพัดตายตายก็ไม่ต้องกลัวคาเตสิคาเตสิเกินกระาอาหารติตังชนานี่ชนานี่ก่อนหลับก่อนนอนตื่นมาพูดก่อนจะนอนเอารับรองไม่มีอาการไหลตายทีนี้ยังไม่แปลให้ฟังนะ ยะเพิ่งอยากจะรู้คำแปลเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี้แหละสมัยหนึ่งเนือพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้พระเนนทั้งหลายฟังคือในสมัยก่อนนูนล่วงการก่อนพระพุทธการผ่านมาสานักที่สา ป, ป่าโมกที่เมืองตกศสิลาเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษาวิชาการต่างๆ ลูกเศรษฐีกระุมทีและผู้มีอันจะกินตลอดทั้งกระสับมหาศามพามมหาศาลในแวนแควนต้องส่งไปเรียนที่นั่นวิชาการตา่ตางๆมารวมกันอยู่ที่ตกศิราส่วนรวมการศราึกษามีลูกอของผู้มีอันจะกินคนหนึง่งถูกส่งไปเรียนด้วยคนนี้เป็นคนกยันมากเลยเป็นคนกยันเอามากๆ ก็ไปอาศัยอยู่กับอาจารย์ที่สาวาโมเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรียนเอาวิชาเอาอความรู้ป้าก็ว่าหัวแก่ไม่ดีมากหัวแกเท่มากตั้งห้าปีหกปีเจ็ดปีแกก็ไม่ได้อะไรแต่แกขยันตื่นดึกลุกเช้าสักผ้าขี่ตีผ้าอ้อมปู่ว่าอาจารย์ลูกเต่าอุยตักเนื้อตําข้าวปาพื้นหุ้ยงานนี่ไม่ต้องตักเตือนแกแก่งปู่ป้าอาจารย์ก็รักเหมือนลูกแต่ก็เสียใจช่วยอะไรแกไม่ได้ พ่อแกไม่จดไม่จำอะไรเลยเฮ้ยโหขี่เลยคืออาตมา น, นี่แหละอาตมานี้ยอมแพ้ให้ไปเรียนอะไรก็ไม่ได้สอบอะไรไม่ได้ได้แต่ชั้นป .4 นะกําตีก็บอะรเป็นยังไดรบ้างเป็นเจ้าอาวาตกับเพ้นไม่ได้ก็เลยหลดตัวไปไม่ต้องเป็นอะไรเป็นอาจารย์ก็พพอเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดตลอดมันบังเอิญอย่งนั้นงูเด็กเขาจะให้เป็นอย่งคนเนี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันคนนี้แกไม่ได้อะไรเลยไปเรียนคาถาอะไรไปเรียนอะไรก็ไม่ได้ ที่น <t od ian |ms|> ี he he he he ่อาจารย์ก็บอกว่าเธอคิดถึงบ้านไหมบอกคิดถึงมากเลยอยากจะกลับพารานสีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วกันอาจารย์ก็บอกเออฉันก็สงสารเธอเธอก็โหยมานานฉันรักเธอเหมือนลูกหมดเอาเอาเถอะนะถึงเธอจะเรียนไม่จบเรียนอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นเธออย่าน้อยออกน้อยใจเลยลูกเอ้ยอาจารย์ก็ปลอบใจโลูกหลังโลูกไหลตบหัวจับหัวบอกลูกเอ้ยพ่อรักเหมือนลูกนั่นแหละ เมื่อลูกเรียนไม่ได้หัวไม่ดีสมองไม่จดจำเหมือนคนอื่นก็อย่าเสียใจเลยลูกเอ้ยตั้งใจเรียนเอาคาถาพ่อจะให้คาถาแล้วเธอกลับบ้านรับรองไม่มีอันตรายโพโยภัยอะไรป้องกันตนเองได้เธอจงเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพนับถือนะนบใส่เก้าเท้าใส่หัวให้เคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่มีคาถานี่มันคลังหน่อยนะคลังคือต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นบใส่เก้าเท้าใส่หัวเท่านี้เอง เธอจกไม่มีอันตรายโภยภัยใดๆและจะสวัสดิภาพปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเอาเธอเริ่มเรียนคาถานี่เลยอาจารย์ก็จดคาถาให้ว่าคะเตสิขะเตสิกิงกรณาอาหางติตังธนานิฉนานิข้อนี้แกก็ดีใจเอาแล้วฉันจะเรียนเอามันแข่นี้แหละ7ปีไม่ไหน่อะไรก็ให้มันได้แข่นี้แกก็เรียนเอาไปมาแกก็ได้อาจารย์ถามว่าเธอได้หรื อ, อยังได้เร้ว ในลองเล่าฟังที่แกเล่าป๋ออะไรคาเต้สิคาเตสิทิงกรณาหังติตัง้งชะนาไมชะนาไเอาหลักแต่ว่าเธอได้เธอจงระลึกถึงครูบาอาจารย์เธอจึงเชื่อฝั่งพ่อแม่แล้วเธอจึงท่องคาถานีนในจิตในใจให้ขึ้นใจตลอดไม่ว่าเธอจะยืนจะเดินจะนัะน่งจะนอนจะไปไหนตื่นดึกลูกชาเวลาใดกอดตามเติมมาเธอพูดคนนี้แกแกเชื่อและก็ได้กับบ้านสมใจนึกบางลําพู ในขณะที่แกกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจเลยแม้ลูกจากไปเรียนตำนักศปิษาปากโมของได้ปริญญามาตั้งเจ็ดปีมากราพ่อแม่เขาลบทูบาอาจารย์ท่านบอกให้กราพ่อกราบแม่ให้เชื่อฟังกล่ารลบลูกดีใจที่ได้มาพบพ่อพบแม่พ่อแม่ก็บอกอ้พ่อแม่ก็แสนจะดีใจลูกเออเจ็ดปีที่เธอจากไปเธอได้อะไรให้พ่อแม่เขึ้นใจบ้าง ลูกนี่เป็นคนหัวไปเรียนอะไรก็ไม่ได้หรอกพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยตั้งใจที่สุดมันก็ไม่ได้มันปึกลูกก็ได้แต่คาถาไในคาถาอะไรลูกมนตวดัดผีคาถากันไหลตายไห น, น, นลองเล่าให้พ่อฟังทีไม่อก้ก็เล่าให้ฟังคาเตศิกาเตสิกิงกรนาอาหางติตัญนานมิถานิเท่านี้เอง โอ้โพ่อกับแม่ผิดหวังเลยเกินนึกว่าลูกจะได้เป็นนักปลาร้าจบัณฑิกตกลับมาจะได้ไปทํางานเป็นบัณฑิตเป็นปุโรหิตของพระราชาที่ไหนได้มาได้มนแกหละเท่านี้ก็อาจารย์ท่านให้ระลึกถึงบุญคุณเสมอให้เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะดูถูกจะเยียวยาเมื่อลูกไม่มีความรู้เจ็ดปีได้แค่ น, นี้ลูกก็กดไม่ได้ถ้าโกแล้วคาถานี้ก็จะไม่มีถ้าเกียดทั้งพ่อแม่ถ้าไม่เถื่อฟังพ่อแม่คาถานี้ก็จะไม่ดี เคารพครูบาอาจารแกครับบริกรรมของแกว่าของแกเลือดเปล่อยไปเอาละเป็นรวบาวันหนึ่งวันหนึ่งแ็นนอนตุงทข้นแกก็พูดวันหนึ่งพระราชาแห่งพระเจ้าผมมาทัดถึงกรุงเมืองพารานสีเนี่ยก็บอมพระองค์ปอมตัวออกมาเที่ยวดูพระศกในกรงทยฟ้าอนาประชาราช เขาเย็เป็นสุกกันแค่ไหนถ้าไปในน้ำพระราชาเขาแต่งอะไรผักชีลอยหนะ้าเหมือนในหลวงจะมาบ้านเราสงพระเจริญธงทิปี์สวายเราจะต้องไปเหมือนสามัญชนตั้งรอบออกมาในพนระนครจนออกมาถึงบ้านจนออกมาถึงบ้านของนายคนนั้นพระเจ้าอยู่หันก็แอบเข้าไปใต้ต้นมะขามอูใกล้ๆบ้านบังเอิญเห็นโจรกําลังแทะบ้านกําลังป ไ, ไปนู่นไปเนื้อตักสองสามคน บางก็เป็นบ้านค่อนข้างจะมีอันจะกินนะจึงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกถึงตะกะเซราได้แต่บางเอิญในขณะนั้นนายคนนั้นแกนอนหลับแล้วแกเติมมาพอดีพอตูขึ้นมาแกก็บอกว่าคเตสิกคเตสิกจึงกระาอาหางติตังฉนานิฉนานโดดโดนเลยสามคนนี่โดดหน้าต่างเลยวิ่งต่ามื้อต่ำไหลเอพระราชาแปลกใจนี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันเนี่ในที่สุดก็เลยขึ้นไปเห็นคนนี้เติมมาก็เลยถามว่า ท่านพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยท่นเห็นพวกโจนอยู่คนนี้ก็โดนลงหมดคนนี้แกไม่รู้จักพระราชาก็บอกว่าผมแส่ขาถาคาถาตวาดผีคาถาตนไหลตายเออพระราชาบอกว่ชขาถาคาถาท่านสอนให้เราได้ไหมบอกได้แต่ท่านจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเคารพนะและลึกถึงถ้าท่านไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เคารพพ่อบองคาถานี้จกไม่ดีเลยพระราชาก็บอกว่าเอาละ่ะ เราจะเชื่อฟังเราจะคารวแต่เคารวะท่านก็กลับสิก็กลับพระราชากลาบแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราชากลาบแล้วแกก็สอนขัดขาให้คเตสิกคาเตสิกิจรณาอาหารติดตังชนามิชนามิให้จเจเชื่อโูบาอาจารย์ใี่จะเคารวพ่อแม่เชื่อฟังทผอบแม่และดัทนทองบนอยู่ตลอดการไม่ว่าจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนหลับแล้วแล้วไปเตือนขึ้นมาแล้วเซฟพูดตอ่อท่านท่างหลายกลัวผีเนี่ยไม่กลัวหลายตายแฝกเด้นอนเตือนขึ้นยังได้วก็แฝกว่ามันไปอย่างนี้ มันเสร็จแล้วพระราชาก็ได้แล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชาวังไม่ได้บอกว่าตนเองพเป็นพระราชานีอยู่วันนะพระราชาท่องมนต์นี้จนขึ้นใจยินเยีมแจ่มใสวันหนึ่งในขณะที่ท่างกําลังตัดผมช่างกําลังตัดผมพระราชานะตัวต่อตัวนะั่งอยู่ด้วยกันช่า ง, งตัดผมกําลังตัดผมแล้วท่างตัดผมนี่เกาะไปฝนไปรับมีดก่น พอเรามีโกนแล้วพระราชาก็พูดว่าคาเตศิกคเตศิตุ่มกรณาอาหังติตังฉนานิฉนาณิคนที่กําลังฝันดีโกนอย่างนี้ก็ก้มลงกราบหน้าทอสีเลยผมยอมแล้วค่ะพระองค์ยอมแล้วค่ะพระองค์ผิดแล้วมือสั่นเลยหน้าทอสีเอานี่เป็นอะไรพระราชามองเห็นก็รู้ทันทีด้วยความรู้แห่งพระราชามิเขาไอ้นี่มันจะปองพระชนเรานีใหวาพอเราพูดคํานี้มันหวาดกลัวนี่กระถาของเราได้ผลแล้เลยซ้ำทำไมว่าแบบแบบใครจ้างมึงมา ใช้ล้างมือมาทําอย่างนี้มึงดูสารภาพมาเดี๋ยวนี้คนนี้มึงตายคนนี้ก็บอกว่าเสนาบอดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของพระ อ, องค์กลางหม่อมฉันเอามันว่าอย่างไงเอาบอกมาฉันจะไม่ฆ่าแกดอกบอกมาเลยบอกว่าเสนาบอดีนี้ให้หม่อมฉันเมื่อเมื่อมาตัดผมและเวลาจะโกนหนวดโกนพระมัทเธอแล้วให้เชือดคอพระราชาให้ตายเมื่อพระราชาตายแล้วนายคนนี้แกก็จะเป็นพระราชา และจะให้หม่อมฉันเป็นเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหานทุกคนเลยบอกว่านี่ยเอาน่าโง่เขาจะให้แกเป็นพระเป็นเสนาบดีได้ยังไงเมื่อแกเชื่อดคอพระราชาเสร็จเขาต้องเชือดคอแกเองเพราะตั้งแต่พระราชาที่แกตัดผมมาตลอดแกก็ยังเชื่อได้แกเป็นเสนาบดีแกจะไม่ไปเชื่อเขาอย่างเขาต้องเชื่อดคอแกเอาละฉันจะไว้คือพีแกไม่ต้องกลวงแกไม่ต้องกลัวแล้วทำยังไงแกบอกว่า พระราชาบอกแกเข้าไปในครัวไปเชือดไก่แล้วเอาเลือดไก่ทาตามมือตามให้โกนแดงๆแล้วก็เดินไปบอกเสนาพอดึเราจะนอนทําท่าตายอยู่ตรงนี้ไปบอกว่าฆ่าเสี่ยแล้วพระราชาคนนี้ก็ทําตามไปบอกเสนาบอดีเสนาบอดีอก็ชื่นใจเป็นในสหายเรียบร้อยไม่คียบร้อยคอขาดเลยหนึ่คอตกนอนอยู่บนเก้อี้เขืองคพับจิตตรงนั้นดูเลือดสาดไปหมดเลยก็พากันมาชื่นชมในขณะเดียวกันพระราชาก็ให้ ทหารรักษาพระองค์แอบพุ่มอยู่พอเซนาบดีมาถึงเห็นว่าตายแน่แล้วก็หันหน้าไปหาหันหน้าไปหานายช่างการะบบกพร้อมทหารคนสนิทจับมันดีน้งฆ่ามังดี้งไอคนนี้ตรงพรชนทราชาเห็นไหมล่ะตวัดทันทีเลยสั่งให้ทหารคนสนิทแล้วจับมังดี้งฆ่ามันเลยเห็นไีมมันตรงพรชนธราชาในขณะเดียวกัน พระราชาก็ลืมตาค่อยๆเลื่นตาขึ้น <c oughs> แล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าช้าก่อนเสนาบดีท่านกําลังทําอะไรในขณะเดียวกันเสนาบดีหันขับมาตันลึงเมื่อเห็นพระราชายื้มขึ้นแล้วลูกสอนทั้งสองจากอมาตมหาดเล็กก็จ้องไปที่เสนาบดีและที่บอกว่าเราเชื้อแรงที่เลี้ยนท่านมาเลี้ยงเจ้ามาไว้ใจแต่จเจ้าก็จะรอบปรงพรชนเรา เจ้าเห็นไหมนายช่างก็นะบบกหน้างโง่เราบอกแล้วว่ามันจะต้องเชื่อดขอเจ้าถ้าเจ้าเชื่อเราได้ดีสิดีท่านจำไว้แกจําไว้เอาละแกได้ทําคุณงามความดีต่อประเทศชาติมานานความชั่วแกมีครั้งนี้ฉันจะไม่ฆ่าแต่แกต้องในประเทศตนเองออกไปให้พ้นมณนครเลวที่สุดนายท่านเห็นเสนาบอดีผู้ตกย้าก็ออกไปแผนมันแตกเสร็จแล้วพระราชาก็ไปเชิญ ครูบาอาจารย์ที่บอกคาถาให้ให้มาเป็นเสนาบดีแทนทั้งนนี้คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำนี้หมายถึงคนมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจนรู้จักว่าตนเองทำอะไรก็รู้นายช่างกันระบกคนนี้จะมาตัดผมให้ประราชาถูกจ้างมาจากเสนาบดีว่าให้แกเชื่อพอพระราชาฉันจะให้แกเป็นเสนาบดีและฉันจะเป็นเสนาบดีแทน ในขณะที่แกจะเชื่อขอพระราชาแกไม่มั่นใจว่าจะเชื่อดเข้าหรือไม่เพราะว่าพระราชาจอมีตะบะมีเดชะก็เลยขอรับมีกรในขณะที่รับมีกรพระราชาเห็นว่าว่างก็เลยท่องคาถาขึ้นมาคาเตสิคเตสิอิงดราณาอาหังตุตังชนะนุชนาชนาิคาถานี้ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วท่านผูกกลัวผีรอท่านผูกกลัวผีไม่มาจะมากินหัวกลัวจะไม่ขังสียก่อน เพราะความจริงอันนี้เป็นคาถากันได้จริงๆต่หวาดจริงๆคําว่าคาเตสิคาเตสิติงกรณาแปลว่าท่านพยายามทําอะไรทําอะไรอาหางติดตันขณะ น, นี้ขณนะ น, นี้เรารู้เรารู้ว่าท่านทําอะไรรู้ว่าเราทําอะไรรู้ว่าคนอื่นทำอะไรในขณะที่โจนกําลังจะขึ้นบ้านคนนี้ก็พูดออกมาว่าท่านทําอะไรท่านทําอะไร ท่านพยายามทําอะไรทําอะไรเรารู้เรารู้โจนมันได้ยินมันนึกว่าเขารู้ยินมันก็โดนนีที่หนีหนี้พระราชาก็เหมือนกันกําลังจะถูกลับนีแต่เชื่อขอท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านพยายามท่านพยายามอะไรจบท่านกําลังทําอะไรทําอะไรจบเรารนานนานู้เรารู้อาหางติตั้งชนะนี้ชนะนี้เรารู้เรารู้ว่าท่านกําลังทําอะไรเทียนแค่นี้เอง อั น, นเป็นมนต์ตะวันีกันไหลตายถ้ ai, าแฝงออกมาจะเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เรากําลังทําอะไรเราไม่รู้จะไปรู้คนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ตนเองก็ยังไม่รู้จะไปคะเตสิคะเตสิกินกรนาท่านทําอะไรท่านทําอะไรอหังติตังจนามิจนาหมิเรารู้เรารู้ เ, รรเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ท่านทําอะไรเราทําอะไรเราทําอะไรเราก็ไม่รู้ เราจะไปกินเล่า <Gog, S 1> เราจะไปกินเล่าเราก็ยังไม่รู้เรากลัวย่านตายเราก็ยังไม่รู้ว่าย่านตายคือหังทําไม่กุย่านตายไม่รู้นะเดน<จ>นี้มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงแต่เรากลับหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันเลยมีปัญหาที่สดุด <c oughs> สิ่งที่ตาเข้าไปเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่จมูกได้กินสิ่งที่ลิ้งก็ไปได้รดกายสัมผัสใจได้นึกคิดคิดก็หลงไปในสิ่งที่ตาหูจมูกริ้นกายใจลูก ทำยังไรจึงจะรู้ในสิ่งที่หลงแต่นี่เราหลงได้ในสิ่งที่รู้เขาโฆษณาสิ่งใดมาหูได้ยินรู้เขาทางหูก่อหลงกไปแล้วอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เห็นสิ่งใดเป็นที่ถูกใจต้องตาก่อนหลงไปสิ่งนั้นามาครอบงำจิตใจอันไปหมดเลยเมื่อเกิดความอยากก็เกิดความทะเยอทะยานเลยถูกเขาหลอกเขาต่ม ถูกเขาลอกไปสิงคโปร์ถูกเขาลอกไปซาอุดีอาระเบียเพราะความหลงก็ไปในความรู้รู้ว่าเขาพูดไปจีนวนจะได้งเงินเดือนเมื่อมาอยู่ทําไมทุกๆุกอย่างลำบากในภาคอีสานบา้านเราเนี่ยมันไปทํางานในทะเลลงเรือมันหาปลามีเงินมีทองแล้วเขาเอาผู้หญิงไปล่ออยู่ในเรือก็หมดเงินหมดทองเขาเอางานพันนันไปนลอกก็หมดเลยเรียกว่าหลงไปในสิ่งที่รู้ทําไมเราจะไม่รู้ในสิ่งที่เราหลง พลหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็เหม่อนค า, าเตสิกคาเตสิกกิงกรารนาถ้าครัรู้ในสิ่งที่เราหลงโอ้เดี๋ยวนี้เรากําลังเป็นท่าของอบายมดเอ้ น, นี้เรากําลังนุ่มหลงปรารถนาสิ่งที่มันสุดวิสัยเราเราจึงต้องเอาไรเอาเงินไปจำนองไปจ้างเข้าไปเมืองนอกเมืองเห น, น, น้อน้น า, า, นน บ, า, านบ่อนหน้าดีให้สองบอกเห็นคนโบรานบอก ในที้สุก็ต้องหลงไปจริงๆขายไรขายนาไร่นาไปจำลองไปเมืองนอกแล้วไปกัดกุ้มใจทำงานทำการไปคิดไปกุ้มไปที่อยู่ที่อาศัยแอร์อาจจะเยียดก็ให้อยู่ก็อูไปตามตายคิดไปคิดมาเอากุ้มใจไปหายีดมาทำเหล่าซื้อเหล่ามากคินกินแล้วก็เมาหลับม้อยสลบไปเลยหลับไหลตายไปเลยอย่างนี้แหละเ้าเรียกว่ารู้เราหลงก็ไปในสิ่งที่รู้เราจะต้องมารู้ในสิ่งที่เราหลง หลงอบายยามุกหลงขีดเอียดทําการงานหลงทะเยอทะยานอยากจะไปเมืองนอกเมืองนะ่ะเมืองจะยึดจุดอย่างเพื่งเพื่นกินอย่งทางอีสานได้เห่าแก้วกินอยังกวางเคล็ดมาสักหน้าสวนหัวให้บอดีบอ่อโยน้ำผวมเนี่ยนําโลกเต่าสา้ำเถาแก่ตายทำไมาเห็นคลองหายเป็นดีมีคาเห็นด่านดาวดองกวางว่าแปน้นก็กระโดดหลดเต็นไปหนาวาซีลุยเลยไปเป็นกันอย่างนั่นทีมก็ทะเยอทะยานเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็ยานตายอีกอ้าวเขาโฆษณากคนหลง รู้ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผีมใหม่จะมาเอาผัวหลังจากนั้นก็จะไล่ตายในที่สุปรกหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ทาหูสิ่งที่รู้ทางตาย่านตายไปซื้อยามาทาเล็บไปซื้อลึกสติกมาทาปากอ่าวอีกนู่นก็ซื้อเสื้อโยกสรงมาใสา่ซื้อผ้าทงมาใสา่ไปกันใหญ่เลยนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ เป็นกระต่ายเติมตู้มเขาวาเองอยังกับเสือเขามดัดเอาเนยเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกับซื้อตอมหาเที่ยวหากินก็มันลอกมาต้มยังไงไปกันหมดคนอีสานบ้านเราล้มีนสิ่งที่ได้รู้ทำไมไม่รู้ในสิ่งที่หลงฮัลโหลในสิ่งที่หลงก็จะหมดปั๊ด